มาอวดกันทำไมอวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้านํามโมงตัวเองมาขายจะไหมการปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี้แล้วมันทําเพื่ออะไรทําเพื่ออวดโลกเขาเฉยๆไม่ได้ทำเพื่ออัดเพื่อทำถ้าทำเพื่อดเพื่อทำแล้วจะไปพูดอวดโลกก็ได้ขนาดนั้นเดียวหรือแล้วยี่ำย่ำทำลายผู้ อ, อื่นแล้วยกตนขนาดนั่นเถอะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจริง นี่เท่านี้เห็นเลยเท่านั้นนะดูยากอะไรหรือยากดูกนุษย์ดูยากอะไ ร, ะะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะั่นมม่เรื่องของยีเหลี่ยต์ออกล้วนหลายทั้งนั้นงูสลุดสังเวชผมอ่านแล้วไม่อกี้เกียดต่อบถ้าตอบมันจะหนักเหมือนกันนะถ้าตอบกระเทืนหนวดเหมือนกันนะท่านลงในตอบลงในหนังสืออีกหน้าออกเป็นหนังสือเล่มหนึ่งกระเทือนหนวดเหมือนกันเ <fly> พราะมันมีเงื่อนที่จะตอบอยูเยอะ ไม่ทำไม่ต่อไม่เกิดประโยชน์เลยคือถ้าเปนพวกบาาตีกันเอาเปล่าในวงพุทธศาสนาด้วยกันนะี mm ่ hmm. มันก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่างไงตั้งแต่ไหนจะอะไรมาแล้วนะที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรมันเขียนเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปตอบกันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วนี่ความที่จะให้กระเทือนมันบอกมาแล้วกับตัวปัญหามาแล้ว การตอบปัญหาจะไม่ตอบถูกไปตามถูกจะตอบไปไหนนั่นแหะความกดดันเกิดขึ้นตรงนั้นอืคำนึงคำนวณอก็ไม่ตอบแบบที่เดลสตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันอืมแบบไม่ไม่แบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาทำเข้าไปว่าวิจารณ า, าเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงค ว, ควรไม่ควรควรตอบหรือไม่ควรตอบพิจารา คนที่ไม่เร็วก็ยังมีอยู่ว่าอ่านนั้นก็แไปก็กำลังใจก็จะหดอยูลงมดนะผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่น้็ไ ม, มีอะไรผลเ ป, เป็นผลดีขึ้นมาเลยมีแต่ผลเสียเท้านั้ น, น, น มันเป็นต้นตอท่างก็ดีท่านทําของท่านท่านรุ่งท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่เคยก็ะทบกระเทือนผู้ใดเมื่อกี้มาเดินตามรอยนั่นี้เอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทํากันทะเลเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ําลายมาอวดกันนีม่มันมที่มันสรุปสําเทธิ์มาก ยกตนขมท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนขมท่านคือการอดที่เหลีอดีดความชั่วความละมบของตนมาขายดีๆนั่นเองไอบินตบัดเคยพูดแล้วไอเสียงบูงเบ้งบูงเบ้งเัมือน่ะเมื่อ้าวานนี่ผมได้ยินเสียงผมเลยมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นน่ะมันบ้าน้ำลายตัวไหนน่ะ มันทํามมันถึงมีขึ้นมาได้นสนใจอะไรกับน้ําหลายนะ่ะบอกให้สนใจกับความต่างหางวินทบาตหน้าที่ของตัวเองขอ ง, ของแต่ละคนนะคนดูวิทีนักโทษเจ้าของคุมมันไปสิมันอยู่ในหัวใจนะ่ะนักโทษคุมนักโทษนั่นไปเพื่อเพื่อนึ่งเดืองอะไรกัน่ะเรื่องภายนอกนั่นทั้งที่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่ นี่หละข้าม้ามันเป็นอย่างนี้นะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี่มันไม้เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลงตัดออตัดออกตัดออกตัดออกไม่เกินถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนั่งนานก็ให้มันเป็นบทเรียนบทเรียนไปเอาเหตุเอาผลมาเหล่าลนี่มาเป็นเกือ บ, บทเรียนไปทุกอย่างผลได้ผลเสียเป็นยังไงไหม อวันนีโันนีาันนี้มันมัโาทขาไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ป่ะโบหอนโบหอโบโอโหไปหาเชี่ยวไปผุดเชี่ยวเต็มมือไปดลดี่สิเชี่ยวมึงเหรเต็มมือไปงพอนนไ ขึนเลยนี่หมอเป็นว aside, hmm. hold, sudden, ่านามูลว <t rando> 네่านะนายสงสารว่าไหวผ่านหอน้อว่าแม่วุ้นนี่มาได้ตอนปล่อยแม่ตอนทันยัเเด็กเนาะปล่อยมันตอนนั้นพ่อคนไหว้ผ่านผมบอกอ๋อขึ้นคุณแล้วเดี๋ยวมนานเลยมันก็ขึ้นบ้านแม่มันเป็นว่านามีกาลังหลับศีลที่บินเห็นมามมันดูปากเขาน่มาดูปากเขานี่บิง วิ่งดูปา่าคนหนึ่ออกจากปากได้ยี่ว่าได้ว่ามันจะหอนอีกน่าหนาวออิ่งมาเราเแปลกๆอยูน่นะข้างบุตรการท่านเขียนไปถึงเรื่องพระเขาไปนมนพระเราเขาก็บอกว่าจ้าภาษาของเราก็คือว่าต้องขอประทานโทษถ้าให้หมามา นั่นเขาก็จกะแสดงรวดลายของหมาเขานั่นแหละจะให้หมามามารับนิมนต์ปุณยัง่ายมารับไปถึงวัแว า, งาแล้วแล้วหมาก็ไปพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วหมาก็ไปไปหาพระนิมนต์พระแ้งอยู่นะเหมือนไอ้วนตวนีนี่ไปหรือวันไปแล้ว อยนนั้นเป็นนี้ไปเน๊ะน้น น, น, น, นน้อนถ้าท่านกับท่านก็นกนทดลองทดลอกบางทีท่านไปที่ไปถึงเนี่เป็นทางแยกอย่นี้ท่านไปยืนเกอ้ออยู่บ้างเขาก็ปคอยอยู่ข้างหน้าบางทีท่านก็ไปทางทางทางแยกทางนี้เขาก็วิ่งมามาข้าวจีวรดึงท่านก็กลับมาไปตามตามเขา พอพอมาเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปเขาไปพระาพไปยืนเกิอ้อห่ไหนะเขาจะตั้งรอดูพเพราะท่านทดลองนี่น ท, ทดลองหมาจะไม่ตั้งถึงบ้านมานันมเขียนไว้ในาําราสั์ที่ได้ ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดขสงคำ ม, มีอยู่มากนะเงินตำลามมีมากแต่ผมม า, มาพูดเฉพาะนี่มนะั น, นมีหลายหลายหลายแขนงหลายเรื่องหลายราวเนี่ยที่ใจมันเป็นอยังไงว่าใจเองใจมีปนิสัยอะไรก่อนกัน ท, ที่แม่ประมาทกัน มาาไม่ประมาทอำาศาสนาแม่ประมาณกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของของตัวแต่ละคนลกคนน่ะอันนั้นนะ่ะมันเป็นของของใครแต่ละคนลกคน อ, อันนั้นเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัว แม้จะเป็นสัตว์ก็ตามจตะ ม, ม, มาเป็นสัตว์ตามวาระของกรรมที่ให้ผลเท่านั้นพอพ้นูในภาพดีดขึ้นอีกสูงกว่าเราอีกเนยก็ได้อย่างนั้นท่านทนาี่แม่ประมารยิ่งจิตดวงจิตมีมีมมปณิสัยอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละยิ่งสำคัญ ม, มากต้องเป็นสัตว์อยู่ก็ยังมีปณิสัยอยู่นั่นนแต่เป็นไปตามวาระซะก่อน ศาสนาใที่จะแจงเรื่องกิจเรื่องเกิดแกเจ็บตายเรื่องพิรลย์ศาสนาสวะได้ละเอียดลออยิ่งกว่าพุทธศาสนาหนิเลยนะี่แจงได้อย่างละเอียดเต็มภูมิเลยครับเต็มภูมิบุคคลจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดโดยประการทั้งปวงที่กิจถึงขัน้นบริสุทธิ์เลย ธรรมดาทั่วๆไปมันก็รู้รู้อยู่หมดในร่างกายของเรามันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนมันไม่ได้ม่นะ อ, อะไรวาสัมผัสสัมพันธ์นก็นรู้อยู่หมดเพราะทางออกทางทางออกของมันมีอยู่รอบตัวทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีอยู่รอบตัวนั่อเราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้มาเป็นจิตเพราะร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่ะเหมืพราะความรู้นั่นมันดับไป พราะความรู้นั่นคือคือร่างอันนี้เนี่ยพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดไปนานี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนุนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นใคยินใน้ฟังจากอาจจะทำมือเจา้าว่าตายแล้วเกิดนุ่นเกิดนีนด่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าว่าไม่มีธรรมะนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทางนั้นเนี่ยไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็จมไปเลยสูงไปเลย ธาตุขันแตออกไปเลยหมดมีเท่านั้นนี่จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่ก็มีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจัดภาพเรื่องนี้โดยลําดับลำดาจนกระทัง่งทราบได้ยอย่างเป็นที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาพปฏิบัติเป็นภาคที่เจะเข้าสู่ความจริงนี้โดยโดยลําดับลำดาจนตลอดทั่วถึง เพียงจดจําเรียนด้วยจากการเรียนนี้เถิดยังไงก็ให้พ้นความส ง, งสัยแล้วแบบปัญหาความสงสัยเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจากการแบบปัญหาเหล่านี้ครับมีภาคปฏิบัติเข้าไปจับเข้าไปแล้วก็เออเริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างเป็นอันหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่ง เวลจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึง่งเวลาจิตสงบเป็น อ, อ, ปอย่างนี้ธาตุขันเป็นอย่างนีง<ม>้ก็ทราบประดุ้ดับนั้นจะมารสร้างถึงจิตทีต่เขาขั้นละเอียดดูจนมาะทั่งอาการาการูปนี้เป็นอาการหยับหยับชัดเวทนาความละเอียดของเวทนาอืสุขเวทนาทุกเวทนาออเปเือกขาเวทนาของร่างกายสุขเวทนาทุกเวทนาเปเืกขาเวทน า, ออข า, วาของจิตหนักมันจะทราบเข้าไป คือทุกข์สุขเฉยๆของกายทุกข์สุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันนั่นนันก็รู้เวลานี้จิตเป็นสุขเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เจ้าปนมีเฉยเจ้าปนกันเหมือนกันกับร่างกายอันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัด เีว่าเวทนากิตเวทนาสุกเวทนาทุกเวทนาอเอาเปรียขาเวทนามีอยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมาแยกดับพร้อมดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญาทันถึงสติขั้นปิัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้พากจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะโดยที่มา ไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางห่ะมันเป็นทั้งมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วเนี่ยจะว่างไงรู้รู้รูพอยับเลยกิดมันปรุงพอยับดับท้องดับท้องดับท้องอ ม, มันก็มีแต่เกิดกับดับท้อง น, นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้อ๋อนี่เกิดมีดับท้องมันกม็มีความหมายอะไรในตัวของมัน ถ้าเราไม่แพ้ความหมายผูดหลงไม่แ้ความหมายมันก็ยังมีอะไรนี้่ผู้รู้ให้ความหมายมันไม่ติดผู้หลงให้ความหมายมันติดเนี่ยติดในความหมายตัวเองนี่มันละเอียดมันซึง้งสัญญานี่ยิ่งยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมเลยนะสังขารมันยังแยบสัญญานี่มันมันซ่านออกไปให้จนกระทั่งเป็นภาเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันน่นจะว่าไง เียาวาสติปัญญามันขนาดนั้นแก้กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไงมันค่อยเป็นทั้งมันมันก็ซาดตามเรื่องความมันเป็นทั้งมันเรื่อนี้ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่เรื่องกรูู้จิตก็คืออะไรไม่รู้รู้ฮะ <c oughs> การในแสดงกระลูแล้วเกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากฏแล้นดับไปดับไป ดัมดแล้วก็ไปหาความรู้นั่นแหละไปอยู่นั่นแยกเป็มาจากองนั้นดับเป็นไปอยู่นั้นหาไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรลายต่อกันอีกเพราะมันทันกันทันกันมันไม่เกิดเรื่องอะไรทุ่ทันกันทันั้นมันก็ตามเข้าไปอีกันอยู่ด้านหลังไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องของมันมันไปอยู่ในรังอวิชชานี่เกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหนุน ใ, ให้ปุงให้แต่งหนุนให้เปิด จังขันให้เกิดสัญญาให้นักทราบอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็อวิชามุนหมุดหมุนให้พาให้คิดให้พอะให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของวิชาทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพอวิชชาดับไปจากหยิบมันก็พงกังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหนุนอวิชชาไม่มีหนุนเพราะวิชชาดับไปแล้ว มันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันมันก็เป็นขันนวนๆแล้วจริไม่มีไม่มีเครื่องหนุนเหมือนอมีชายมีอยู่อันนี้เรียกว่าขันนวนๆลูกก็เป็นบริสุทธิ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัศน า, าสังขารวิญญาณแต่และอย่างละอย่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มียอยู่อยู่ในตำน้นคือครองตัวหญิง น, นันก็มีทั้นั้นจีก็เป็นจิตจีก็รู้กินไม่หลงไม่หลงอาการของ ใช่อาการเหลนี้อยู่เพียงช่วงระยะการที่ยังครองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นงนั้นพี่แต่อวิชชาตัวตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนเพียงคิดเป็นปรุงทั้กเกิดดับเกิดดับเท่านั้นมีเท่านัน้นไมัต้อมีอะไรจะต่อสาวยาอยู่ให้เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอาวิชชาไม่มีไม่มีอะไรต่อทําไม่ต่อ ทำกันที่สุดที่ทําแล้วนี่วิสุที่จิตแล้วนี่เอาอะไไปต่อนม เ, เห็นไช่ไหมจิตถ้ามันลงถึงจิดแล้วรู้อย่างนั้นนะ่ะไม่รู้อย่างอื่นจําให้ดีนะไม่มีคําอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันพอเจอนีอพิพพานนั้นกระเทือนใน ห, หมดบรรดาวิชาและสาทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอย่างเดียวกันนี่แหมไปไหนเลยไม่เวิร์ดไปเลยนะโตนอนอยู่ คุณชิ้นกาาชิ้นกามัดเล่นรถมัดตัวนี่ยจำว่ารถมัดคนชินช้นกามันโดนรถมัถมนนมดเ น, นะไม่าะไม่เนา